และเราได้เลือกเจ้าเพื่อทำหน้าที่ของข้า ي ي ي เจ้าจงไปพร้อมกับพี่ชายของเจ้าพร้อมด้วยสัญญาณทั้งหลายของข้าและเจ้าทั้งสองอย่าเฉยชาในการระเบิดขึ้นข้า ا إ เจ้าทั้งสองจงไปหาเฟรูล แท้จริงเขายักษ์โอหังมากและเจ้าทั้งสองจงพูดกับเขาด้วยคำพูดที่นุ่มนวนบางทีเขาอาจจะรำลึกขึ้นมาได้หรือเกิดความจำเกรงขึ้นเขาทั้งสองได้กล่าวว่า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 فأأتياه فقولا ดังนั้นเจ้าต้องสองตองไปหาเขาแล้วกล่าวว่าแท้จริง เราเป็นศาสนทูตแห่งพระผู้มีบาลของท่านดังนั้นท่านจงปล่อยวงวานอิสรอินมากับเราเถิดและอย่าได้ทรมานพวกเขาเลยแน่นอนเราได้นำสัญญาณจากพระผู้มีบาลของท่านมาอย่างท่านแล้วและความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์จงมีแด่ผู้ปฏิบัติตามทางนำที่ถูกต้อง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 Oh, ข้า่ากลวว่าพระพู้อภิบาลของเราคือผู้ซึ่งประทานทุกสิ่งที่พรงสร้างแล้วพรงก็ประทานทางนำที่ถูกต้องให้เขากล่าวว่า และสภาพของคนรุ่นก่อนก่อนนั้นเป็นเช่นร่ อ, อ, อรบ บ, บ, บ, บยมูซากล่าวว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันในบันทึกของประโรงพระผู้อภิบาลของฉัน จะไม่ทรงผิดพลาดและไม่ทรงหลงหลือพระผู้ทรงทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบสำหรับพวกเจ้าและทรงทำให้เป็นถนนห น, นทางสำหรับพวกเจ้า และทรงหลั่งน้ำฝนลงมาจาก ฟ, าฟ้าฟ้าแล้วเราได้ให้พืชผลนานาชนิดออกมาเป็นผูกูกู้ละอัน ع ม م คุมอินน์ฟีลิกลาติลิอลินฮพวกเจ้าจงกินและจงเลี้ยงปศุสัตว์ของพวกเจ้า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 ฟื้นคืนชีพในวันพระโลนและแน่นอนเราได้เขาได้เห็นสัญญาณต่างๆของเราแต่เขาได้ปฏิเสธดื้อๆเขากล่าวว่าเจ้ามาหาเราเพื่อจะเอาเราออกจากแผ่นดินของเรา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 สถานที่โล่งแห่งหนึง่งโดยที่เราจะไม่ผิดสัญญาและตัวเจ้าด้วยวมูซากล่าวว่ากำหนดวันของพวกเจ้าคือวันรื่นเริงโดยให้ประชาชนมาร่วมชุมนุมกันในตอนสาย ฟ, าลลาฟิร์กอูนได้กลับออกไป เพื่อไปร่วมมือกันวางแผนการของพวกเขาแล้วได้มาอย่างที่นัดหมายโมูส า, าได้กล่าวแก่พวกเขาว่าความหายนะจงประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าได้เสกสรนปั้นแต่งความมุสาแก่เราเลย มิฉะนั้นพระองค์จะทรงทำลายพวกเจ้าด้วยการลงโทษและแน่นอนผู้ปั้นแต่งการมิศา์นั้นได้ประสบกับความผิดหวังมาแล้วพวกเขาได้โต้แย้งกันเองในเรื่องของพวกเขาและได้มีการพูดกันอย่างลับๆ พวกเขากล่าวว่าสองคนนี้ไม่ได้เป็นอื่นใดนอกจากเป็นนักมายากลอย่างแน่นอนต้องการที่จะเอาพวกเจ้าออกจากแผ่นดินของพวกเจ้าด้วยเล่ห์กลของเขาทั้งสอง และต้องการจะลบล้างขนรรมเนียมอดีงามของพวกเจ้า كم, م م ى, ดังนั้นพวกเจ้าจงรวบรวมแผนการทั้งหมดของพวกเจ้าแล้วเดินออกมาเป็นแถวและวันนี้ผู้ใดเหนือกว่าก็จะรับชัยชนะอย่างแน่นอนตอรลลัสา พวกเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอยท่านจะเป็นผู้โยนหรือว่าพวกเราจะเป็นผู้โยนก่อนมูซากล่าวว่าแต่ว่าพวกท่านจงโยนก่อนเถิด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 ม่ว่าเขาจะมาจากรได้ก้มดดาาลกร า, าบโยกล่าวว่าเราขอุรัทธาก่อพระนู้พิบัติอฮารูนแะมูซาดันพวกมายากรได้ก้มลงกราบโดยกล่าวว่าเราขอศรัทธาต่อพระผู้พิบาลของฮารูนและมูซาดนลุม إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خ ل ا ف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أي ن ا أشد ع ذ ا ب ا وأبقاه. ا ل ق <تصفيق> ع و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 ن ن พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่เธอดทูนท่านมากกว่าหลักฐานอันชัดแจ้งที่ได้มาอย่างเราขอสาบานต่อพระ ผู้บังเกิดเราท่านจงทำตามสิ่งที่ท่านต้องการจะกระทาเถิดแท้จริงท่านจะกระทาได้ในชีวิตแห่งโลกนี้เท่านั้นแท้จริงเราได้ศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของเรา เพื่อพระองค์จะได้ทรงอาภัยความผิดต่างๆของเราให้แก่เราและทรงอาภัยให้ในสิ่งที่ท่านบังคับเราให้กระทาเกี่ยวกับเรื่องมายากฏเหลรานั้นทรงเป็นผู้ดียิ่งและทรงยั่งยืนตลอดไปอินนุม่ يأتي ربه مجرم فإن له جهنم فإن له جهنم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 สวนสวรรค์อันสถาพรณนะเบื้องล่างของมันมีแม่นม้ำาหลาซ้ายไหลผ่านพวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นคือการตอบแทนสำหรับผู้ขัดเกลาตนเองให้พ้นจากความชั่ว และโดยแน่นอนเราได้ให้องค์การแก่มูสาว่าจงนำพวงบ่าวของข้าเดินทางในเวลาลองคืนและจงฟาดไม้เท้าลงในทะเลให้เป็นทางเดินแห้งแก่พวกเขาเจ้าอย่าได้กลัวว่าจะถูกตามทักและเจ้าอย่าได้กลัวจมน้ำ ฟิรูฮพร้อมด้วยไพรพลของเขาได้ตามมาทันพวกเขาแล้วน้ำจากทะเลได้ท่วมทำให้พวกเขานน้นจมน้ำตายและฟิรูฮ์ทำให้กลุ่มชนของเขาหลงผิดและไม่ได้ชี้แนะทางนำที่ถูกต้องให้ و و و ن ن โอ้วงวานของอิสราเอลเอ่ยแน่นอนเราได้ช่วยพวกเจ้ารอดพ้นจากศัตรูของพวกเจ้าแล้วและเราได้สัญญากับพวกเจ้าทางด้านขวาของภูเขาตรุด และเราได้ประทานอาหารหวานและนกคุ้มให้แก่พวกเจ้ า, าว ل ل พวกเจ้าจงกินจากสิ่งที่ดีทั้งหลายที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยัางชีพแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าอย่าได้ฝ่าฝืน มิฉะนั้นความกลียวของข้าจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดที่ความกลียวของข้าเกิดขึ้นแก่เขาแน่นอนเขาจะประสบกับความพินาศและแท้จริงข้าเป็นผู้อภัยอย่างเหลื่อนล้นแก่ผู้ที่ขออภัยโทษและศรัทธาและประกอบความดีแล้วยึดมั่นอยู่ในทางนําที่ถูกต้อง และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารีบเร่งออกไปจากกลุ่มชนของเจ้าโอ้มซาเอ่ยเขามูซากล่าวว่าพวกเขาเหล่านั้นตามหลังฉันมาอยู่แล้วและฉันได้รีบเร่งออกมาอย่างพระองค์ท่านนั้น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 قال يا قوم ألم يعدهم ربكم و ع د ا ح س ن ا ت أ ق ا ل عليكم العهد أم أردتم أ ي ح ل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي มูซาได้กลับไปยังกลุ่มชนของเขาด้วยความเกลียวโกรธเสียใจเขากล่าวว่าโอกลุ่มชนของฉันเอ๋ยพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า ไม่ได้ส่งสัญญากับพวกเจ้าด้วยสัญญาที่ดีดอกหรือคำมั่นสัญญานั้นนานเกินไปสำหรับพวกเจ้ากระนั้นหรือหรือว่าพวกเจ้าประสงค์ที่จะให้ความเกล้ยวโกรดจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเกิดขึ้นแก่พวกเจ้า พวกเจ้าจึงได้บิดพิีวสัญญาของฉัน ما موعدك ملكنا حم من القوم حم من القوم السامري أخلفنا ولكننا نا أعوزارا ولكننا أعوزارا فكذالك ألق فقبثناها زينة نا زينة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 يَرَوْنَ พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่ามันไม่อาจจะให้คำตอบแก่พวกเขาและมันไม่สามารถจะให้โทษไล่คุณแก่พวกเขาเลย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 พวกเขากล่าวว่าเรายังคงบูชามันโดยจะเคารพพักดีต่อมันจนกว่ามูซาจะกลับมาหาพวกเราข้าลยาฮารุนไม่แม้นักที่รัยท่ห่มดลลวัลทั ت ถั ع ยนั้วถัยทับยั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 ม, มูสากล่าวว่าเจ้าต้องการอะไรโอชาริมเอย <قال S 1> ุย قال บศรุตุบมาลไม่บุษรุบิห์ฟักบัตุบัตุะมะนิ ن ب ทร ه อัลร ذ สูลิฟานบคซเขากล่าวว่าฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น คือเห็นยิบรออีนที่แปลงร่างลงมาดังนั้นฉันจึงกำเอาดินฝุ่นกอบหนึ่งจากรอยเท้าของรอดศูนหมายถึงยิบรออีนแล้วฉันได้โยนมันลงไปที่ลูกวัวที่ทำขึ้นและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันก็ได้เห็นดีเห็นงามไปด้วย ว่าอินนัลค์ม่าวงิดะแลนท إ ก ل َฟ ه ِ ك َดร์อีลาอิลาห์คัลลี่ดีดร์ล์ต์อัลเ ن ُ ح َ ر ِّ ق َ ن َุ ه ُ ث ُ م َน ل َ ن َ ن ْมِ ف َ ن َส ه ُ فِي ا ل ْ ي َ م ยัมมินส์ฟะมูซากล่าวว่าท่านจงออกไปถ้าจริงสำหรับท่านในชีวิตนี้จะได้รับการลงโทษ โดยท่านกล่าวว่าอย่ามาแต่ต้องฉันแท้จริงสาหรับท่านมีสัญญาลงโทษอย่างในปรโลกท่านจะไม่ถูกทำให้ผิดสัญญาและจงดูพระเจ้าของท่านที่ท่านเคารพ บ, บูชามันแน่นอนเราจะเผามันโดยเราจะโปรโยมันลงไปในทะเลให้กระจาย ا إ ا إ แท้จริงพระผู้วิบาลของเจ้านั้นคืออัลลอ์ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด น, นอกจากพระองค์พระองค์ทรงแผ่ความรอบรู้ไปอย่างทุกสิ่ง เช่นนี้แหละเราได้บอกเล่าข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ก่อนการแก่เจ้าและแน่นอนเราได้ข้อเตือนสติจากเราแก่เจ้ามันอระดันอิพิลุัยวผู้ใดหันหลังให้อัลกุรอาน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 และในวันนั้นเราจะต้อนนักโทษทั้งหลายที่มีตาสีฟ้าไว้ด้วยกันพวกเขาจะกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าพวกเจ้าไม่ได้พำนักอยู่ในโลกนี้นอกจากเพียงสิบวันเท่านั้น ن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 ว่าพระพวกพิบาลของฉันจะทรงทำให้มันแตกออกเป็นผุยผงและจะทรงปล่อยให้มันเป็นที่ราบโล่งเตีย้ยเจ้าจะไม่เห็นที่นั้นที่ลุ่มและที่ดอน วันนั้นพวกเขาจะติดตามผู้เรียกร้องไปโดยไม่มีการอิดเอื้อนแต่ประการใดเสียงทั้งหลายก็จะลดค่อยลงต่อพระผู้ทรงกรุณา เจ้าจะไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงแผ่วเบาวันนั้นการชฟาจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอรุยาตแก่เขา และพระองค์ทรงพอพระทัยในคำพูดของเขาเท่านั้นพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่ข้างหลังพวกเขาและความรู้ของพวกเขาไม่อาจจะครอบคลุมความรู้ของพระองค์ได้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 หวังว่าพวกเขาจะมีความยำเกรงหรือเกิดข้อเตือนใจแก่พวกเขาดังนั้นอัลลอ์คือพระผู้ทรงสูงทรงยิ่งผู้ทรงอำนาจอนันแท้จริงและเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน แล้วก่อนที่องค์การของพระองค์จะจบลงและจงกล่าวเถิดโอ้พระผู้อิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มภูมิความรู้แก่ฉันด้วยและโดยแน่นอนเราได้คำมั่นสัญญาแก่อดัมและก่อนการแต่เขาได้ลืมและเราไม่พบความมั่นใจในตัวเขา เลมลือมาาออม่อเรากล่าวแก่บรรดามา来กาว่าจงคารวะแกอาดัมพวกเขาได้คารวะนอกจากอิบลิสเพราะมันได้ดืด้อนึง แล้วเราได้กล่าวว่าอู้อาดัมเอยแท้จริงนี่คือสตรูของเจ้าและพรรยาของเจ้าดังนั้นอย่าให้มันทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวนสวรรค์ แล้วเจ้าจะได้รับความลำบากแท้จริงในสวนสวรรค์นั้นเจ้าจะไม่หิวและไม่ต้องเปลืองกาย และแท้จริงในสวนสวรรค์ น, นั้นเจ้าจะไม่กระหายน้ำและจะไม่ตากแดดต่อมาชัยตอนมานร้ายได้กระซิบกระซาบเขามันกล่าวบอกว่าโอ้อดัมเอ๋ยฉันจะชี้แนะแก่เจ้าถึงต้นไม้ที่อยู่เป็นนิดตลอดกาล และการมีอำนาจที่ไม่สูญสลายเอาไหมดังนั้นเขาทั้งสองจึงกินจากต้นไม้นั้นสิ่งพึงสงวนของทั้งสองจึงถูกเผยออกมา เขาทั้งสองนั้นจึงเริ่มเอาใบไม้ในสวนนั้นปกปิดบนตัวของเขาทั้งสองและอาดัมได้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขาเขาจึงหลงผิด